เจริญพรท่านสาธุชนทบบาบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ทางที่ทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2555เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันที่สาธุชนได้ตั้งใจมาวัด เพื่อประกอบคุณงาความดีเพื่อที่จะได้เป็นคนดีเพราะว่าคนดีนั้นจะมีความสุขและมีความเจริญคนเราจะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ชื่อชื่อจะดีคนก็ไม่ดีได้เช่นชื่อดีก็ติดคุกได้ชื่อบุญก็ติดคุกได้ ชื่อไม่สำคัญสำคัญที่การกระทําทางกายทางวาจาและทางใจว่าคิดดีพูดดีทำดีหรือไม่ถ้าคิดดีพูดดีทำดีถึงแม้ว่าชื่อจะไม่ดีก็ยังดีอยู่อย่างนั้นดังนั้นขอให้เราจงมาดูที่การกระทําของเราว่าเราทำดี พูดดีคิดดีหรือว่ากำลังทำไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีอย่างวันนี้เราก็มาตั้งใจงว่าจะคิดดีพูดดีด้วยการสมาทานศีลห้าข้อด้วยกันเพื่อจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการรับขโมยละเว้นจากการ พูดผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดและและเว้นจากการเสพสารยามาเพราะการกระทำทั้งห้าประการนี้เป็นการกระทำที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียไม่ได้นำมาซึ่งความสุขและความเจริญการละเว้นจากการกระทำทั้ง5้าข้อนี้จึงเป็นการกระทำที่ดี ที่จะนำความสุขมาให้และจะนำภพชาติที่ดีตามมาต่อไปเพราะหลังจากที่เราตายไปแล้วใจของพวกเราทุกคนไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเรายังต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้ารักษาศีลได้ห้าข้อก็ไม่ต้องไปรับผลบาป ไม่ต้องไปเกิดนายอบายไปเกิดเป็นเปรตเป็นนรกจะได้ไปเกิดเป็นเทศได้เป็นพรได้เป็นพระอริยบุคคลตามลำดับต่อไปถ้าทำความดีให้พีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับการรักษาศีลเนก็เป็นลำดับที่สองลำดับที่หนึ่งก็คือการทำทานการศีิสละ เสียสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่นเช่นวันนี้ญาติโยมก็สละทราบสละประโยชน์สละความสุขแล้วก็นำเอามาถวายให้กับพระพุกธุที่อยู่จันทันสาในวันนี้เพื่อเป็นเพื่อเป็นการให้ความสุขและให้ประโยชน์แก่ผู้่น การกระทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทาความดีการกระทำความดีนี้มีความหมายสั้นๆว่าการกระทำที่เป็นประโยชน์ให้ความสุขแก่ผู้อื่นหรือให้ความสุขกับเราและผู้อื่นไม่มีโทษคือไม่ได้สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้่น ส่วนการกระทำไม่ดีก็เป็นการกระทำตรงกันข้ามกันคือสร้างความเสียหายสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ทำให้เราต้องทุกข์ร้อนไปด้วยคนที่ทำบาปแล้วจะมีจิตใจที่ไม่สบายใจมีจิตใจว่าวุ้นผุ่น ม, มัวหวาดกลัวต่อผลที่จะตามมา ถ้าตายไปก็ต้องตายไปไปเกิดในอบายต่อไปดังนั้นพระเจ้าทรงสงสอรให้พวกเรามาวัดเพื่อมาทำความดีกันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็เข้าวัดสักหนึ่งครั้งคือวันพระถ้าพระพุทธเจ้าไม่ท่งบัญญัติวันพระไว้เลยพวกเราก็จะไม่มีข้ออ้างที่จะเข้าวัดกัน ก็จะมัวแต่ทำบาปทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับตนยังไม่รู้จักจดจากสิ้นอย่างน้อยอที่หนึง่งก็ได้มาชำระกายวาจาใจให้สะอาดสักหน่งครั้งให้คิดดีพูดดีทำดีเช่นคิดให้ทานคิดรักษาศีลคิดภาวนา ทำใจให้สงบทำใจให้ชลาทำใจให้ปล่อยวางเพราะใจที่สงบที่ชลาที่ปล่อยวางจะมีความสุขอย่างมากมากกว่าใจที่มีเงินทองเป็นร้อยล้านผันล้านเพราะเงินทองร้อยล้านผันล้านไม่สามารถดับความทุกข์ของใจได้แต่ผู้ที่คิดถึงทานคิดถึง ศีลคิดถึงนภาวนาแล้วก็ทำตามที่ตนเองคิดก็คือให้ทางรักษาศีลภาวนานั่งสมาธิเดิมจงกลมพิจารณาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความฉลาดเพื่อที่จะได้ปล่อยวางตัดความโลภความอยากตัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ถ้ทาทำตามที่คิดได้จิตใจก็จะเป็นจิตใจที่สาหดบริสุทธิ์ใจที่สะ า, ารบริสุทธิ์นี้มีความสุขอย่างมากเรียกว่าบรมสุขปาลังสุขกนี่คือใจของพระพุทธเจ้าน่าใจของพออระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านคิดดีพูดดีทำดีท่านจึงให้ทานอย่างเต็มที่ มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ยกให้คนอื่นไปหมดแล้วก็ติดตัวออกจากสังคมออกจากการคลองเรือนเพื่อไป <c oughs> อยู่แบบนักบวชอยู่แบบผู้มีศีลมีธรรมรักษาศีลรักษากายวาจาให้สงบไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ภาวนา เพื่อให้ใจสงบให้ใจปลอดวางเพื่อจะได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่ไม่มีความสุนใดในโลกนี้เสมอเหมือนดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวดลถแห่งธรรมก็คือความสุขที่ได้จากการทาความดีนี้เองเช่นทาทานรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรม นี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะติดไปกับใจไม่ว่าใจจะอยู่ที่ไหนอยู่แห่งหนใดอยู่พกใดชาติใดความสุขที่ได้ทำจากการทาทาน ร, รักษาสิงห์ภาวนาจะติดไปกับใจเสมอไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากตาหูจากรูปเสียงกลิ่นรส บทพระชนิดต่างๆที่จะหมดไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วพอตายไปแล้วใจไม่สามารถเอาสมบัติคือรากไปได้ไม่สามารถเอายศคือตำแหน่งไปได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่สามารถออกไปได้ไปเกิดชาติหน้าก็ไม่สามารถเรียกร้องว่า เคยเป็นพระเจ้าแผ่งดินมาเคยเป็นประธานาธิบดีมาต้องไปสร้างใหม่ต้องไปหาใหม่แต่ถ้าเอาใจที่ดีไปนี้ไม่ต้องไปเรียกร้องเพราะจะได้เป็นอย่างที่เคยเป็นอยู่ถ้าเคยเป็นพระกลับมาก็จะได้บวชเป็นพระถ้าเป็นพระอริยเจ้าเช่นเป็นพระโสดาบันกลับมาก็จะเป็นพระโสดาบันไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ ถ้าเป็นพระสติดาคามีพระอนาคามีก็จะเป็นพระสกิดาคามีอนาคามีถ้าเป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นพระอรหันต์และไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาหาร่างกายใหม่เพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับใจเพราะใจได้สร้างความสุขได้อยา่างเต็มเปี่ยมแล้วเต็มที่แล้วไม่สามารถที่จะเพิ่มความสุข ภายในใจให้มีมากไปกว่านั้นได้เมื่อเป็นดังนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่เหมือนพวกเราที่ใจยังไม่ได้เต็มด้วยความสุขใจของเราเต็มด้วยความหิวความอยากจึงต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ <c oughs> เมื่อกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาล่อมต้นกอไก่ขอไข่ใหม่ต้องเรียนหนังสือต้องทางาน <c oughs> องหาเงินหาทอง <c oughs> ไปจนวันตายพอตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้กลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่อย่างนี้ทำอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆนับไม่ถ้วนแล้วเป็นจำนวนหลายล้านล้านชาติด้วยกันต้องให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสร้แล้วมาสอนพระธรรมคำสอนให้แก่สว์โลกถึงจะรู้ว่า วิธีที่จะหาความสุขที่แท้จริงก็คือต้องคิดดีพูดดีทำดี uh huh. คิดให้ทานพูดให้ทานทำให้ทานคิดรักษาศีลพูดรักษาศีลททำรักษาศี่ง uh huh. คิดภาวนาพูดภาวนาและทำภาวนา uh huh. ถ้าคิดดีพูดดีทำดีอย่างนี้ใจก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปตามลาดับ แล้วก็จะมีความทุกข์น้อยลงไปตามลาดับใจก็จะลอยสูงขึ้นไปตามลาดับจากมนุษย์ก็ขึ้นไปเป็นเทวดาจากเทวดาก็เป็นโพลจากโมลก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอาหารหันต์หรือขั้นพระพุทธเจ้าผลเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการ ความปรารถนาหรือการอธิษฐานจิตขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเวลาเรากราบพระและเราก็อธิษฐานขอให้เราเป็นคนดีได้ดีได้ดีให้เราเจริญอย่างนี้ไม่สามารถที่จะให้ผลที่เราต้องการได้เพราะการขอไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทําให้ผลที่เราต้องการเกิดขึ้นผลที่เราต้องการนี้จะเกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติจากการคิดดีพูดดีทำดีอย่างที่ท่านได้มาทำในวันนี้ท่านได้คิดดีได้พูดดีได้ทำดีได้ทำทางได้รักษาศีลได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อที่จะเสริมสติปัญญาความรู้ความฉลาดเพื่อให้รู้ทางที่จะพาให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ที่พวกเราทุกคนปรารถนากันเพราะว่าเรามีผู้ที่ไปถึงแล้วมาบอกเรามาสอนเรานั่นเองนั่นก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายถ้าเราไม่มีท่านเหล่านี้มาบอกทางเราก็จะไม่มีวันที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันก็คือความพ้นทุกข์ ความพบกับความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมหมดไปเหมือนกับความสุขที่พวกเราสัมผัสกันความสุขที่พวกเราสัมผัสกันนี้เป็นความสุขเหมือนควันไฟเวลาสัมผัสก็มีความสุขแล้วพอไม่ได้สัมผัสก็จางหายไปเช่นได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานสิ่งที่ชอบก็เกิดความสุข พอหยุดดูหยุดฟังหยุดเดิมหยุดรับประทานความสุขนั้นก็หายไปเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหลือแต่ความหิวความอยากที่จะต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆเติมไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะมีความอิ่มตัวนี่คือความสุขที่พวกเราแสวงหากันในเวลาที่เราไม่สามารถแสวงหาความสุข เหล่านี้ได้ใจของพวกเราก็จะมีแต่ความเศร้าส้อยไหวเงาว้าเหวทุกทรมารใจเช่นคนที่อยากจะดื่มสุรายาเมงแล้วไม่สามารถดื่มได้เพราะไม่มีเงินซื้อมาดื่มหรือว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถดื่มได้ดัง น, นั้นใจก็จะมีความรู้สึกบวก ห, ห, หิตเศร้าส้อยไหวเหงา หรือคนที่ชอบเที่ยวถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็จะมีความรู้สึกบุดหงิดเศ้าสร้อยหาเหงานี่คือผลที่เกิดจากการหาความสุขอย่างที่พวกเรากำลังหากันอยู่ก็คือหาทางตามหูจมูกลนกายหาราหาลาบเพื่อสรเสริญนี่เป็นการหาความสุขผิดทางเพราะเป็นความสุข นิดเดียวและมีความทุกข์ตา ม, มามากกว่าหลายเท่าด้วยกันเรียกเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นยาขมเครือบน้ำตาลนั่นเองเวลาเราอมยาขมที่เครือบน้ําตาลเข้าไปในปากใหม่ๆก็รู้สึกหวานดีแต่ไม่นานทอน้ำตาลที่เครือบอยู่ละลายไปก็ไม่สามารถที่จะอมต่อไปได้จะต้องคลายออกมา เช่นคนที่มีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสผดผะเช่นคนที่แต่งงานกานใหม่อันนี้จะหวานเหมือ น, นน้ำพึ่งเลยแต่พอน้ำพึ่งละลายจางหายไปแล้วก็กลายเป็นความขมขื่นขึข้นมาอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุขัวในที่สุดก็ทนอยู่ร่วมกันไม่ได้ต้องหย่าร้างไปนี่คือตัวอย่างของความสุข ที่ไม่ถาวาความสุขที่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างกันขึ้นมาคือให้ทําทางรักษาศีลให้ภาวนานี่จะมีความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาจะเป็นความสุขที่จะทําให้ความทุกข์ที่มีอยู่นั้นน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆ หมดไปในที่สุดและก็เป็นความสุขที่ถาวรหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วความสุขนี้ก็ยังมีอยู่กับใจไม่มีไม่ได้หมดไปไปกับร่างกายขณะที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทำให้ความสุขในใจหายไปความสุขภายในใจนี้แหละที่จะคุ้มครองรักษาไม่ให ใจของพวกเราต้องเดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายกับการพล า, าดจากกันผู้ใดมีความสุขแบบนี้อยู่ในใจแล้วเรียกว่ามีที่พึ่งแล้วมีสาระแล้วหลุดพ้นแล้วจากพิษภัยอันตรายต่างๆแต่ถ้ายังไม่มีความสุขในใจก็ยังจะต้องทุก จะต้องวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆเช่นเรื่องขอ ง, ของการพัดพาดจากสิ่งที่เรารักพัดพาดจากคนที่เรารักทั้งๆที่เรารู้ว่าหรือรู้อยู่ว่าต้องพัดพาดจากกันจะต้องตายจากกันแต่ใจของเราไม่มีไม่มีความดีที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์ไปกับการ พัดพาดจากกันเพราะเราไม่มาฝึกซ้อมการพัดพลากจากกันเช่นเรามาทาบุญมานี้เราก็มาซ้อมการพัดพลากจากเงินทองเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเราเอาไปซื้อข้าวของหรือเอามาบริจาคให้กับวัดเราได้พัดพลากจากเงินก้อนนี้ไปแล้วแต่เรากลับไม่มีความทุกข์เพราะอะไร เพราะว่าเรามีความยินดีเรามีความพอใจที่จะพรากเงินก้อนนี้จากเราไปแต่ถ้าเราไม่มีความยินดีเช่นเราไม่ได้ตั้งใจจะเอาเงินก้อนนี้มาทำบุญแล้วถูกขโมยขโมยไปเราจะเกิดความเสียใจเกิดความเสียดายเกิดความโกรธขึ้นมาอย่างมากเลยทีเดียวนั่นเพราะว่า เราไม่พองที่จะให้เงินก้อนนี้จากเขาไปเราไม่ยินดีที่จะให้จากเราไปเพราะพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาฝึกให้มีความยินดีกับการพัดพากจากสมบัติข้าวของเงินทองและสิ่งต่างๆทั้งหลายไปแม้แต่ร่างกายของพวกเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องพัดพากจากเขาไปร่างกายกับเรานี้เป็นคนละคนกัน เราเป็นใจร่างกายนี้เป็นดินน้ำลมไฟต่อไปจะต้องเป็นซากสดต่อไปจะต้องเป็นสมบัติของสัพว์เฉลยและไม่ใช่เป็นสมบัติของเราถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจที่จะยกให้กับสัพเพเฉลยไปเวลาถึงเวลาที่จะยกให้เขาไปเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจ ไม่คอยคิดอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เป็นของสั ป, ปเหร่อร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องให้สั ป, ปเหร่อ ม, มาเอาไปถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่จะต้องยกให้สั ป, ปเหร่ไปก็เหมือนกับเวลาที่เราเอาเงินมาทำบุญแทนที่เราจะมีความสุขแทนที่เราจะมีความทุกข์เรากลับจะมีความสุข เพราะว่าใจเราปล่อยวางใจเราไม่ยึดติดใจเราชัวารู้ทันว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นของสั ป, ปเหร่เป็นของวัดทุกคนเวลาตายไปนี่ก็จะยกให้วัดให้สั ป, ปเหร่ไปทงไม่มีใครอยากจะมาเอาร่างกายอันนี้ไปกันนี่คือความจริงที่พวกเรามักจะมองข้ามกัน ไม่คิดถึงกันพอเราไม่คิดถึงกันเราก็เลยหลงคิดว่าเราจะอยู่ไปนานๆาคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราอันนี้เป็นความหลงไม่ใช่เป็นความจริงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนความจริงอันนี้พวกเราก็จะหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราจะต้องอยู่กับเราไปนานๆ แต่พอถึงเวลาที่จะต้องพราดพลาดจากร่างกายนี้ไปเราก็เกิดความทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งเพราะเราไม่รู้ความจริงนั่นเองนี่คือความประเสริฐของพระธรรมธรรมสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนแสงสว่างในที่มืดถ้าเรามีแสงสว่างในที่มืดเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเรา เช่นเห็นงูเห็นสัตว์อะไรต่างๆที่อาจจะทาําร้ายเราได้ถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราก็อาจจะเดินไปให้งูกัดได้ฉันใดงูที่กัดใจของพวกเรานี้ก็คือความหลงความมืดบอดความไม่รู้ความจริงของร่างกายและจิตใจนี้เองไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าไปหวง ไปอยากให้อยู่กับเราไปนานๆก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจถ้าไม่หวงถ้ายินดีที่จะคืนเจ้าของไปคืนให้กับศัพเปิลไปยกให้วัดไปก็จะเหมือนกับได้ทาบุญเหมือนวันนี้ญาติโยมก็เอาข้าวของต่างๆมายกให้วัดไปต่อไปก็ต้องเอาร่างกายนี้มายกให้วัดไปเหมือนกัน นั่นกงกายหัดทาทานอยู่เรื่อยๆเสียสละบริจาคอยู่เรื่อยๆมีอะไรที่เราไม่มีความจำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ก็อยากเก็บเอาไว้เลยเพราะจะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเป่าๆการที่เราเก็บเอาไว้ก็สแสดงว่าเรายังไม่ยินดีที่จะยกให้ผู้อนไปเวลาผู้อื่นมายกไปเราก็จะเสียใจเช่นเวลาขโมยขึ้นบ้าง เราเข้าของไปเราก็จะเสียใจเราก็จะโกรธแต่ถ้าเรายินดีให้เขายกไปเราก็จะคิดว่าดีไม่ต้องเสียเวลามายกมาถวายวัดมีคนมารับที่บ้านเลยสบายไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องขนขึ้นรถไม่ต้องเสียเวลาขับรถมาวัดเพื่อมายกให้กับวัดมีคนมายกให้เราไปเลย ต่อไปเวลาเราเสียอะไรแทนที่เราจะเสียใจเรากลับมีความสุขใจเพราะเราจะคิดดีนั่นเองคิดว่าไม่ใช่เป็นของเราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เจ้าของเข้ามาขอคืนไปต้องคิดอย่างนี้ให้คิดว่าอะไรที่ไม่อยู่กับเรานั้นไม่ใช่เป็นของเราถ้าอะไรที่ยังอยู่กับเราก็ถือว่ายังเป็นของเราอยู่ชั่วคราว แต่ก็ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเป็นของคนอื่นไปถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วใจของเราจะได้ไม่โลภไม่อยากได้อะไรมากจนเกินไปเอาเท่าที่จำเป็นเอาพอมีพอกินพออยู่ได้แล้วแล้วเราจะมีความสุขยิ่งกว่ามหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านที่ยังมีความหิวมีความอยากต้องการเงินเพิ่มมากขึ้นไป ถ้ายังมีความหิวความอยากอยู่ก็จะไม่มีความสุขแต่จะมีความความทุกข์ความวุ่นวายนี่คือความจริงที่พระเจ้าได้ทรงตัดสินและได้ปฏิบัติเป็นเยี่ยงอย่างทรงสละราชสมบัติเพราะรู้ว่าราชสมบัตินี้เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเพราะมีสมบัติแล้วก็ต้องปกป้องรักษาจะต้องคอย หวาดวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะสูญหายไปเมื่อไหร่จะถูกผู้อื่นมาแยกเอาไปพอไม่มีสมบัติแล้วก็ไม่เดือดร้อนสบายใจพอไม่มีภรรยาแล้วก็ไม่เดือดร้อนไม่กังวลว่าใครจะมาแยกเอาภรรยาของเราไปไม่มีใครจะมาแย่งเอาสามีของเราไปเพราะเราไม่มีสามีไม่มีภรรยา แต่ถ้าเรายังมีสามีมีภรรยาอยู่เราก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาที่สามีหรือภรรยาไม่กลับมาบ้านก็จะเกิดความวิตกกังวลว่าเกิดอะไรขึ้นไปไหนทําอะไรนี่คือปัญหาของพวกเราที่ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆเพราะคิดว่าสิ่งต่างๆนั่นจะให้ความสุขกับเรา แต่เรามองไม่เห็นอีกด้านหนึ่งคือความทุกข์ที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆเราต้องมีพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาสอนเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นทุกข์ก็เลยสละไปหมดเลยแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชมีสมบัติอยู่เพียง8ชิ้นทั้งนั้นเองเป็นสมบัติที่จำเป็นจะต้องมีคือบาตรหนึ่งใบผ้าสามผืน เข็มขัดมัดเอวหนึน่งเส้นใบมิโกนหนึ่งใบเข็มกับได้หนึ่งชุดแล้วก็ที่รองน้ําหนึ่งอันนี่คือสมบัติที่จําเป็นต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีสมบัติเพียงเท่านี้พวกเราเป็นอย่างไรเรามีสมบัติกับมากกว่าพระพุทธเจ้ากี่ร้อยเท่าแล้วเรามีความสุขมากกว่าพระพุทธเจ้ากี่ร้อยเท่าหรือเปล่า หรือเรามีความทุกข์มากกว่าพระพุทธเจ้าหลายร้อยเท่ามากกว่าทางสุขนี้เราแทบจะไม่ค่อยมีเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้ามีกันเลยเพราะเราเดินปิดทางแทนที่จะสละแทนที่จะไม่ยึดไม่ติดกับสมบัติเข้าของเงินทองเรากลับยึดติดและอยากได้มีความโลภอย่างได้มากขึ้นไปนเรื่อยๆมีเสื้อผ้าเต็มตู้แล้วก็ยังไม่พอ มีรองเท้าเต็มู้แล้วก็ยังไม่พอมีกระเป๋าเป็นสิบสิบใบก็ยังไม่พอเพราะว่าความหลงนี่เองคิดว่ามีมากๆแล้วจะมีความสุขแต่พอมีแล้วเป็นยังไงก็ต้องมาห่วงมาห่วงมากำวังกับสมบัติต่างๆที่มีอยู่กินไม่ได้นอนไม่หลับเวลากลางคืนนอนก็กลัวจะถูกขโมยขึ้นบ้านกลัวถูกโจมาปล้น เพราะมีสมบัติมากนั่นเองดูพระพุทธเจ้าท่านนอนในป่าคนเดียวได้ไม่มีความเดือดร้อนไม่เหมือนสมัยที่อยู่ในวังเวลาอยู่ในวังต้องมีทหารอารักขามีรอปอพอคอยเฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่พอไม่มีสมบัติแล้วก็นอนในป่าคนเดียวได้อย่างสบายไม่มีใครจะมาทำอะไรเพราะไม่มีอะไรให้เขาแล้วนั่นเอง นี่คือวิถีชีวิตของผู้ที่มีความสุขที่แท้จริงวิถีชีวิตของผู้ที่ไม่มีความทุกข์ต้องอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบนักน้อยสังดมีเท่าที่จำเป็นแล้วจะมีความสุขมากกว่าผู้ที่มีสมบัติเข้าของเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านแล้วก็ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายกับทรัพย์สมบัติของตน เมื่อถึงเวลาที่จะต้องพัดผ้าจากทรัพย์สมบัติแบบนั้นก็จะต้องทุกทรมารยิ่งมีมากก็ต้องทุก์มากเพราะเสียดายมากนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราจงน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติกับชีวิตของเราเถิดแล้วเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์เลย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 โดยทั Lord, na, ่วหน้าการเธอ